คำว่าโลกุตระโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมีท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยัน ทำเหนือโลกนั้นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตระมโลกุตรธรร ม, รรมคือทำเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนในสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้ น, น, นขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจ ทำทุกขั้นนั่นท่านว่าโลกุตระกิจโลกุตระธรรมเต็มภูมิของกิตของธรรมเป็นเครื่องยืนดันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่าโลกุตระธรรมแพราว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกก็สักแต่ความจำความคาดความหมายหาความแน่ใจยังไม่ได้เลยด้วยเหตุ น, นี้ สิ่งที่จะยืนยันกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยกิจตภาวนาเป็นสำคัญเมื่อกิจในสัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นใดเข้าไปย่อมทราบได้ชัดเจนชัดเจนความพิจารณาของกิจกับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิจารณาเอามากทีเดียว ดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าทำที่จะจดใจในกำปีเวลา น, นั้นเท่ากับน้ําในตุ่มในไหงแต่ทำที่ไม่ได้จดใจลึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้น อันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครัวจารย์มั่นนั่นเอิจของท่านนั่นเองเอนผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คํานึงถึงพระไกรปิฎกไม่พระไกรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําว่าพระไกรปิฎกเนี่ยแต่ขึ้นอยู่ระหว่างกิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจุกวรเกิดขึ้นได้ในแง่ใดๆเท่านั้น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 รู้เห็นทำเต็มภูมิเต็มภูมิเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสาริบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสาริบุตรเป็นผู้เฉลี่ยฉนาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณ น, นี่ท่านเหล่านี้แตกฉานมากทีเดียวหมายถึงทมเกิดนั่นเองทำไม่เกิดอะไรมาแตกฉานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลา ยับมานิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านหรือจะให้ทำเกิดนั้นแต่ทำเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ตางกันอย่างนี้วิสัยของกิจก็จึงจะมากแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมิวิสัยวาสนานั่นเองภูมิของกิจของธรรมที่จะรู้ท ร, ร ม, มากน้อยตามนิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้น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 กิจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละถ้าไปพูดถึงพระไกรปีฎกก็คือนี้แหละพระไกรปีฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออกว่าเป็นสุตันตปีฎกขวินายปีฎกพ่อพิธามปีฎกเอาไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไกรปีฎกทั้งสามนี่เต็มไหมโดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปีฎกนั้นๆปีฎกก็แปลว่าตะกร้านั่นเองแปลว่าพาชนะ ไตรแปลว่าสามภาชนะสำหรับใสหลักธรรมสามประเภทได้แก่สุตันตะคือหมายถึงพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมนันหรายว่าปีดกสามแว่าตะกล้ายุภาชนะสำหรับใสสิ่งเ น, นี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่า ข้าสุตันตปีดกพระวินัยปิดกพระอภิธรรมปิดกถ้าไม่ออกประจากใจดวงที่บรรจุปิดกทั้งสามนี่ม่อย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเ จ, จ้าตัดสู้ทำไปตัดสู้ที่ปิดกไหนไม่ได้ตัดสู้ในพระไทยจะไปตัดสูที่ไหนในพระไทยนี้เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัจทั้งสี่อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกสมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอันเป็นข้าศึก ฝยลบปูนทั้งหลาฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดของทุกข์ขึ้นมามาร์กท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปออกมาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสาคัญ น, นี่คือสิ่งสังหารสิ่งทําลายสมุ ท, ทยัยเพื่อให้ดับลงไปและปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อกิเลส ประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุทยัยสมุทยัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรจีดกันไม่มีอะไรจีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในใจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุทยัยเกิดภายจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอํานาจมีกําลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาียบบทไม่ได้ ไม่สิ่งที่ไม่น่าคิดก็คิดสิงไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่รู้มันกรลูกมันไปตามเรื่องตามรารูปแบบสมูทไทยนะไม่ใช่รูปแบบธรรมไม่ชุ่ไม่ใช่รูปแบบมากหรือรูปแบบธรรมเป็ น, นยังไงเช่นสัจสัจธรจรมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทหากรู้ไปตามแถวของสมุทไทยเป็นทุกข์ขึ้นมาลูกขึ้นมา เอาป้อนเอาทุกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุดผู้คน้นให้ก่อทุกข์ขึ้นมามันเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนาะยังแยบมันยังเอาไปได้สบายสบายเอาไปกินสบายสมายเอาไปกินต่อหน้าต่อตาบางทีนั่งร้องห่มม้องให้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้าตาไหลน้าตาล่วงเป็นไปได้เพราะคำอำนาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่าย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 สมุทัยกับเรานี่เอนี่เวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นภายนจิตเราจะไปะหาดูแบบดูแผนดูตำหนับตําราที่ไหนจะมีไหมท่านตรจกาลึกไว้ไหมสิ่งเ่านี้ท่านพูดไว้หมายอย่างนี้มันเกิดไอยู่ที่ไหนก็หมอหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอาราหันต์ทั้งหลายเท่านั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดี ผู้จดจารึกเราก็ไม่แน่ใจนักแต่แลรไม่ประมาทนะว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใด้จดจารึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกีทุกทกี่ของทุกของสมุไทยของมัดของนิโรธถ้าว่าผู้ที่จดจารึกเป็นพระราชหันแล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุไทยที่เกิดขึ้นพายในจิต รอบกิจมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทยัยทั้งนั้นผู้ที่จดจะลึกจะเอามาได้หมดแล้วก็รอบกิจเวลามักกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิน้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดทำก็เกิดเกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามายปัญญาเกิดมันนี้ก็จะเอามาออกมาออกมาได้หมดเลยท่านก็พูดกลางๆว่าเดี๋ยวภาวนามายปัญญานี่เท่านั้นแหละเขาตีความหมายไปหมด เราก็ควรจะพิจารณาให้ได้รู้เรื่องรู้หลัแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่แหละการโจทจจารึกเป็นสำคัญมากผู้ตรวจจารึกเป็นคนปรพเภทใดนะ้เรื่องทำทั้งหมดนี้มีล้วนแล้วแต่เป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระไทยของพระเจ้าที่บริสุทธ หรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอาหารหันต์องค์ใดพระอาหารหันต์องค์นั้นก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจารึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่นถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามารถจะถอดถอนออกมาได้เราอยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงทิ่ไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกันกบธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมด มันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปหมดได้ออกมาหมดเลยถ้าหาว่าจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาจากความจำลอยๆไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพลถึงขิงถึงความตัดความจริงทั้งฝ่ายสมุทยัยทั้งฝ่ายมารทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้งสีออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้ยงมาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย ถ้าเป็นปัญหานแล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นมรสีผลสีนิพพานหนึ่งอ น, นี้เป็นต้นนะมรสีผลสีใครก็รู้ไม่ใช่เหรือยังโซดาปฏิมรโสโซดาปฏิผลจงอันต่างถึงอาหา ร, ร, รอาหัตปรตมอรหัตผลแล้วนิพพานหนึ่งพูดทําไมนั่นนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรสีผลสีไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมุติอยู่นี้ กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังไม่หยุดกิริยายังเป็นสมมุติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วผื อ, อะไรคือนิพพานหนึ่งนั้นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้เนี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอายเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทําไมอันหนึ่งพระองค์จึงไม่แสดงเอาไว้น่ะเพราะรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกัน ถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอกพูดถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนพิพพานหนึ่งเมื่อสิ้นไปจาก อ, อาการทั้งมรรคผลสี้นี้แล้วนั่นอันนิพพานหนึ่งเป็นที่ยุติหมดสมมุติแล้วในระหว่างมรรคผลยิ่งถึงกันยิ่งถึงกงันนี้ยังเป็นกิริยาอย่างเป็นกิริยายังจะเอาที่ยุติไม่ได้เป็นที่ยุติไม่ได้มรรคผลยิ่งถึงกันถึงกันเช่นอย่างอาณาตมมอณ า, าตผลจริมาขจิตนั่นท่านว่าไว้ในในตำล่าว่าไว้แล้วก็จําไม่ได้เราไม่รู้ มริมะ ก, ะกิตคืออะไรนั่นชั่วขณะของกิจที่พลิกอย่างมากไปถึงผลปับ๊บนั่นกิริยาแห่งการที่แสดงต่อกันอยู่ในขณะนั้นถึงผลก็าตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยัง ย, ยังเป็นสมมติพอผลพอถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึก๊กลงไปนั่นแหละนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นแหละพอพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นั่นจะต้องถูกการทานี่คือ ต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์ค้านกันไม่ได้บรรดาพระรหันทั้งหลายนี่แหละคําว่นผู้ที่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้าร้อยเปว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจริงไหมเนื้อศาสนาของพระพุทธเจ้านี้มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ไม่ยอมรับยังไงก็หลักสัาธรรมเป็นเครื่องประกาศกำบานถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากศาสนาธรรม และทําทั้ง น, นี้ออกมาจากความรประสูค์ของพระเจ้าทั้งนั้นทําไมจะทําไมจะไม่เชื่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่องอริยศาสตร์เช่นสมุทัยศาสตร์ทุกศาสตร์เว ล, ลา ม, มันเกิดมันเกิดรอบหอัวใจอีกตลอดเวลาไม่มีในนังคมภีที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมากษัตรย์ก้าวไปก้าไ ป, ไปเอ๋อจะล้มลูกคุ่ครานก็ตามเถิดยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อ ฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยไม่ถอยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปสุดท้ายก็เรื่องของมารกษัตริย์ก็ทํางานบนหัวใจอืทางทุกข์กษัตริย์สมุทัยสัตรว์อ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปมารกษัตริย์ก็ทํางานก้าวหน้าก้าวหน้าเป็นสวัสดสมาธิก็กับปัญญาก็กุมกืนไปแล้วที่แรกมีแต่สมาธิก่อ น, นอุปจารสมาธิ หรือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปดิฉันั้นก็ปัญญาตโนนอิปัชนน า, นาปัญญาอ่อนๆ น, นั้นก็แขกล้าสามารถเรึินไปเไป็นไปจนกลายเป็น <c oughs> ภาวนาเมญปัญญาทีนี้เอาแหละในหัวใจดวงนั้นมีแต่ทำทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ทำทั้งนั้นเกิดมีแต่ทำทั้งนั้นทํางานน กิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสจะหาที่ทํางานมาได้โทตัวออกมาไม่ได้โผล่อมาเป็นงานศัจธรรมทีม่ต้องฟันแหลกฟันแหลกฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วตอนนี้พอกิเลสทั้งหลายอามีอวิชชาเป็นต้นได้มอดบายลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดทิ่นี่มีแต่ทำรุ่นรว น, วนได้ดวงนั้นเป็นธรรมตั้งถุงเป็นธรรมตั้งแท่งแล้วมีแต่ทำทางนั้นเกิดกิเลสเกิดผิดมาได้อย่างไรมันหมดแล้ว ในเาที่นี่ที่ว่าทําเกิดไม่เทียมแต่ว่าได้ฆ่ากิเลสหมดไปแล้วทำเจะยุติในการเกิดเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานเกิดไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์นั่นเอาที่ท้องฟ้ามหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียบได้ไงเกิดอยู่ตลอดเวลา ใ, ใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตละทำเป็นอย่างไร เพียงแต่เราพูดว่าโลกุตตรธรรมอะทำเหนือโลกเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนท่านใจก็เป็นผู้เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตตรธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปท่านกับโลกุตตระเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่โลกุตตรธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลเป็นโลกุตตรบุคคลเป็นโลกุตตรธรรมนั่นนั่นหลั่งเก้าเไปเก้าเปนไป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 มันจะเอาทำมาอวดได้ยังไงว่าทำเกิดทำไม่เกิดนั่นต้องผู้ปฏิบัติทำตอนนั้น เ, เพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจําไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาที่เรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในสุตตันตปิฎกในวินยัยปิฎกก็เป็นความจำใ น, ในวินยัยปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดทำขนาดไหนมันก็เป็นยอดทำแต่เป็นความจำอยู่ดีๆไม่เป็นมากเป็นผล เป็นสมัติของตนได้เลยพร้อมเป็นความจําต่อเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละยิงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมัติของตนในแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระประมตัตา์หัวใจนิทรงไม้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นหมานถึงจริงการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังจริงไม่จังไม่รู้นะงานในโลกนี้งานไหนก็เถอะอ้าว ใครไดประกอบงานอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่งานจิตต่อพานาซะก่อนยังไม่ทราบว่า ง, งานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าเข้ามาสู่ยิตต่อพานาท่านเรานี่ละงานรอดตายงานเด่นตายหรือว่าตายถึงรู้ในสมัยปัจจุบันของเรานี่ส่วนมากมักจะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาผิญอย่างมันเราถ้าเป็นผลออกมา ก, ก็เป็นรุ่นที่สองที่สามมารุ่นหนึ่งรุ่นแรกก็พวกอุกติจันยูวิปจีจันยู ท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอพระองค์ประกาศศาสนาธรรมท่านก็แจมเลยแจ้งเลยเหมือนกับอเปิดประตูคอกท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นวัวก็ออกก่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอุปติตรัญยวิปปิฏิบีปจีตรัญยวลังไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพุ่น้ําบัวผิวน้ําบัวคนน้ําเป็นอย่างนั้นพว <c oughs> กเราเนี่ขอจะให้เป็นบัวใต้น้ําอ๋อเป็นบัวอยู่ ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันใ น, นวันต่อไปวันต่อไปด้วยความมุสาพยายามของพวกเราอยากไปลดละความภาพเปลี่ย น, นก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกันแต่ยากหรือง่ายก็ตามให้ให้ให้เข้าใจทําความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติหรือนิสัยวาสนากรรม เป็นของแต่ละคนละกฎถ้าจะเทียบก็นาของเราทํายากเราจะไปทํานาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทําชวนของเราเราต้องทำํำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจํายอมต้องจํายอมทำดท้วยซิอันนี้นิสัยวาสนาของเรามันจะควรหนักก็ต้องยอมรับมันหา เบาขนาดไหนก็รู้นักขนาดไหนก็รู้มันเป็นมักเป็นตอ น, นผ่านไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไปผ่านที่สูงที่ต่ําที่รุ่งที่ดอนไปเรื่อยๆที่ราบตื้นดีงามก็มีที่ขุกขักก็มีนี่การดำเนินปฏิบัตาก็เหมือนกันเช่นนั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลําบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลําบาก ลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึง่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภาณิจจใจให้อบอุ่นภาณิจจใจว่าเจ้าของไนี่มีสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีคือทํามาสมบัติภาณิจจใจไม่ปรากฏนี<ม>สําคัญแล้วก็ตะเกียบ ต, ตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึง่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เกณฑ์ทีกว่าเป็นสมบัติ ของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกประเภทน่ะแต่ทุกเหล่านี้ต่อไปต่อไปก็เป็นเหตุให้ความหวังมันหนักเป็นเพื่องดึงดูดเป็นเครื่องฉุดล่าไปความลําบากลาบนอะไรไม่ค่อยได้คิดยากลําบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่ใจถึงจุดหมายปลายทางและยิ่งความภากเปลียนได้หนักแน่นหรือจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉียวฉนาดมาก เ, าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็น อ่าภาวนามยะปัญญาไปแล้วนั่นแ่ะทีน่นี่หมุนติว่วติ่วติ ว, ตวยากลําบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่งมีมันมีหวังอันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภ า, ายในใจอะไรที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอธรรมเสียฝ่ายอาธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งก็ลําลบากพากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติ เมื่อสรุปแล้วงานกิตตภาวนางานค่าขี้เหลียกนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช่ไม่ใช่นะเช่นนั่งอา้านั่งสิเป็นก้นพองไม่ใช้ไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช้ทางร่างกายยังไงเดินโยงกลมจนขากับเหยาังไงมันอ่อนมันเพรียวแน่ล้วนแล้ตั้งแต่ ได้ใช้กําลังทั้งนั้นขาจะจะโดนเดินกระเพกกระเพกมันอ่อนไปหมดเลยมันเหนื่อยมันเพียต้องได้หยุดนี่นั่นงก็ังก้นพองมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางละทางร่างกายนีนทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของมันไอ้เราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่าง ฝ่าต่างสู้กันนี่ก็หนักบางครั้งถึงจะเกิดความโกรดสังเวชถึงน้ําตาล่วงมีผมไเป็นมาทั้งนั้นนะไม่ได้ไม่ได้พูดเฉยเฉยนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ําตาล่วงก็มีเมื่อกี้ก็ถูกกิเลสแย่เอาแก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้เนี่ยแล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นม า, าจนได้ ต้นชนะไปได้แล้วผ่านไปได้ผ่านไปได้เป็นเป็นเปาะเป็นเปาะไปหรือเป็นระยะระยะไปนี่การปฏิบัติแล้วแตทุกยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเพียงทุกในธาตุในขันและทุกมีผลมีประโยชน์มีธรรมสมบัติเป็นสมบัติของเราเนี่ยทุกกระทุกจอมทุกเถอะไอ้ทุกอยู่ในวัตตาสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหต้ยท้าฝนไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกยากมันลําบากจริงๆ ฮิตแต่ละดวงละดวงนี่มันน้อยเมื่อไรเรื่องการเกิดแก่เก็บตายในวัตตาสงสารนี่ในสามแดนโลกธาตุนี่โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตตรงนี้จะไม่เกิเกิดในรามาพบรูปบพรูปบุคคลวันนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเคยทั้งนั้นแหละหมุนไปเยือนมาอยู่นี่เพราะอํานาจแห่งบาปและบุญที่มีมากมีน้อยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาะอหลักสัมพันธ์ก็คือมี เชื้อของกิจเชื้อของความเกิดได้แก่อวิชชา น, นี้สําคัญมากทีเดียวตัวนี้ตัวพาสั์ให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบสนิทนี่ยสําคัญมากท่านวาอวิชชาปัจญญาสร้างข้าระนั่นสิฟังสิอวิชชาปัจญญาชาติอวิชชาปัจญยาพาโบลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานะั้นทิฏยานี้ต่อกันไป ล, ลงตรงนี้เลยอวิชชาแลี่พาให้สร้างภพสร้างชาติวางกัน แล้วก็ชาติปีดูขา้าวเชราร์ปีดูขา้าวมาราปีดูขา้าไปเลยต่อต่อไปนี่เองละ่ะไม่ใช่อะไรอ๋อพิจารณาปฏิบัติไม่ไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดในใจิตใจแล้วจะตัดสินโดยตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดดีครับแล้วก็จะประเกิดในพบได้ชาติได้ตัดสินไม่ได้ต้องเอานะภาพปฏิบัติเข้าไปจับมันเลย ม, มันจะทราบมาตั้งแต่เริ่มปัญญาเี่ยแม้ตั้งแต่เพียงจิดเป็นสมาธิจิตก็รู้ตัว ว่านี้คือจิตนั่นคือธาตุคือขันคือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนี่คือจิตขอทราบพอเริ่มทราบพอถึงขั้นปัญญาแล้วทราบได้ชัดว่านี้คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขานี่คือวิญญาณเป็นเป็นส่วนหนึ่งนอกมาจากจิตนทราบไปโดยชัดเจนจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วทราบหมดนะรูปก็ทราบปล่อยได้ด้วยนี่ เวทนาของทางกายก็ทราบสลัดปัดทิ้งได้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสําคัญมันหมายความปรุงความแฝงของจิตก็ทราบเป็นมรรคเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเดียวกวับรู้เท่าได้เนะี่ยท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมี มีอยู่ภายในกิจที่ละเอียดนั่นแหละเพราะอวิชามีนั่นล่ะบอแห่งสุขเวทนาดุขเวทนามันอยู่ในอวิชานั่นแหละถอดอวิชามาไปเปิ้ลเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปหาดูพระไตรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้ า, ยายของนี่รู้ ช, ẹ, ช, ยย ช, ยยชัดเจนพระพุทเจ้าชี้ลงมาที่นี่ตัทธาทิาปัสสติฉันวาไงเอหิปัจจิกโกเอหิปัจจิกโกความเพียงเทาไหร่ท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้ทีเรื่องของกิจใจ ถ้าติปัญญาอย่างแบบนี้ทำไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาทางลงไปเท่านั้นน่ะพบชาติทราบหมดเกิดความสลดสังเวชน้ำตาล่วงเหมือนกันใครก็เถอะมาล ง, งมาถึงขั้นนี้แล้วหลวงพุทธเจ้ากับตรงน้ำน้าพระเนตรล่วงนั่นเห็นไหมท่้นพูดถึงตรงธรงรมสังเวชกันพูดทิฏฐิยาของขันธ์กระเพื่อมกรเพื่มกรเพื่อมรับในเวลาจิตได้หลุดพ้น พออวิชชากระเด็นออกจากใจเท่านั้นไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วทีนี้ขาดสะบั้นไปจากกันนี่คือกิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อนความเกิดตายทั้งหลายในพบน้อยพบใหญ่พบไหนก็ตามจําได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นน่ะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะที่นี่พ่ อ, อวิชาพูดภาษาให้มันเต็มปังเราว่าอวิชชาตาย พอวิชาตายเท่านั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อต่อไปนี้ไปไม่มีดูข้างนาตีอาชาตาจะเมื่อทุกไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกจะเอามาจากไหนทุกยังมีแก่ผู้ไม่เกิดทัานบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นแล้วอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกกันด้วยการลำบากทุกโดยความวัดปฏิบัติทุกโดยการจนเดินโยกบุนั่งสมาธิทุกอันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกมีความหมายทุกเพื่อความสุขท่านบอทุกสารานตารางสุกขัง สุขเกิดในลําดับแห่งทุกข์อันนี้จะทุกข์ก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะใหเกิดความสุขเนี่ยท่ า, มานมันลงไปที่นักปฏิบัติเดี๋ยวการจะเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่เราจะต้องรับเพาะโดยไม่ต้องสงสัยล่ะต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปั๊บพร้อมเสมอที่จะเกิดถ้าเกิดในภพใดาชาติไดนเราต้องมันูรับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราการสลัดปัดออกเสีย ซึ่งเชื่อทั้งหลายที่มันท้ายให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะเดินจะเดินมันไม่มีหรอกคำว่าอดีตอนาคตสมมติทั้งหมดขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันที่จะคาดนุ่นคาดนี่ไม่มีขอให้รุ่นโลกรัฐกิจโลกรัฐธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพราะพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆ้าไม่รู้แบบรูปคำคำพอจะมาสอนศาสนาโลรูปคำคำให้โลกทั้งหลายรูปคำคมตาไปด้วยกันนะ ท่านสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆถึงว่าโลกวิทูโลกวิทูรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบรอบทั้งโลกในรอบประจกักษพระไถ่ของพระพุทธเจ้าสาวกศาสนาปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี่สร้างคนได้หลุดพ้นจากกองทุกนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งละครั้งของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี้มีมากขนาดไหน นั่นแหะท่านเอาเอาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากนักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เก็บตายเยน็นว่ายในมาตาิยัญชารพน้พนพน้พนพ้นพ้นพูดที่ยังไม่พ้นก็ก็แทนกันขึ้นมาแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งคมาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่แทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกพบทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เมือว่าพระพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแน่นิเราได้มาสร้างอุปอ่ะ อำนาจวัฒนาบุญญาพิสมภานสร้างบารมียิ่งเพิ่มเข้าไปบารมีก็สูงขึ้นไปเรื่อยอ้าวท้องนั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี่นขึ้นระดับนี้สุดท้าก็เป็นอุคติตันยูวิปจิปัญญูได้วันในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยทีแรกก็อยู่นู่นซะก่อนเลยยะซะก่อนขั้นต่อมาก็ก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเทน้ำ่ติมเนี่ยเทไปไม่หยุด ไ, ไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมามันได้เองอันนี้ก็สร้างอยู่มาอยู่ถอยทำไมจะไม่เต็ม เมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุกติเตนยูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติของเราการบำเพ็ญของเราไม่สงสัยอุกติเตนยูก็ดีวิปยีเตนยูก็ดีจะต้องเป็นสมบัติของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งตั้งใจพุทธปฏิบัติไม่ประมาทเพียงเท่านั้นเนี่ยฉันขอให้ทุกทกท่านตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติการจัดจริงที่เป็นค่าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฟ้าอากาศ ว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรแล้วเป็นเพราะทีเรศมันหลอกคนให้คนไปรูปคำอยู่นู่นตะคุบตะคุ่ง เ, าเงานึง่งมันไม่ได้คุกตัวมันนะมันตะคุ้งเงานน้นน่ะมันหลอกออกไปนอกๆคุณอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ั น, นั้นไม่ดีอยงนี้ น, นี้ไม่ดีอย่างนี้ติดินตีฝ้าตีลมตีแรงติอันนั้นตีนี้ตีเขาตีลาตียุ่งไปหมดส่วนที่เป็นจุดสําคัญควรจะเกาควรจะตีมันไม่ติเอให้เราเห็นจุดของมันที่เรศมันแสลาขนาดนั้น ต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันเพราะมันแพ๊บผมมารู้ทันทีรู้ทันทีทนทมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่อง น, นั้นไม่สําคัญสําคัญที่ความปรุงนี้เกิดขึ้นแล้วนี่ใครมันพูดพาให้มันเกิดถ้าไม่นอวิชชาปัญญาสังฆาลาจะเป็นอะไรเป็นสังฆาลาไปวนะนะสังฆาลาคือความอะคือความปรุงปรุงออกมาด้วยอํานาจของอวิชชาเนี่ยทั้งนี้ว่าสังขารมันก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยเพราะอาวิชชาเป็นตัวสมุทยัทยใหญ่อยู่แล้วอวิชชาปัญญาสางฆาลาฟังติอวิชชาปัจะวิญญาณอวิชชาปัญญาสัญญาสัญญา มันก็เป็นเรื่องสมุ anya, ทัยทั้งนั้นเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยมันป Ethiopia, anya, ุงอะไรก็ตามสําคัญในประสามได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีแ ต, แต่เรื่อง mechanisms. จะกวลั่นเขาเป็นสูตสมุทัยทั้งหมดเมื่อสติปัญญาไม่ทันมันมันเอาไปกินหมดนั่นเนี่ยต่อเมื่อสติปัญญาได้ทันเท่านั้นอ้าวที่นี่มันจะปุงเรื่องอะไรสัมผัสเรื่องอะไรปุงเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรสําคัญนั้นอะไรมันจะทันกันพับบพับพัเป็นขึ้นมาในหัวใจนี่เองของผู้ตําเพนต์ตน จริงๆว่าสติปัญญาอัตนมัติสติปัญญาอย่างเครียงกาหรือม่าสติมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตลาดนาเป็นตลัดตล า, า, าเป็นความจดความจําไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราเสินันกปฏิบัติจะได้เห็นความจริงภายในจิตใจเห็นนี่แล้วมันหาสสยโลกใสทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหาจริงก็คือตัวขี้เลสตัวสมาไทยนั่นแหละตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลกหลงสสารให้แล้วรับความทุกข์ความยากความลาบากไม่มีวันจืด จ, จาง หลงกิเลสตันหานหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีทีเดลดเท่านั้นแหะมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอกฮึอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องขาดเรื่องขันมันสลายแล้วแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือท่าดินนี่คือท่าน้ํานั่นท่าลมท่าไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบแยบยตามกิริยาของสมุดมันก็แสดงให้มันไปอย่างนั้นจะว่ายังไง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 เราพูดถึงเรื่องขันนะเอาที่นี้ย้อนเข้ามาขันเหล่านี้เวลาพักเป็นยังไงนธรรมะาปกติธรรมดาขันนี่จะต้องแสดงการยิบยับยิบยัอยู่อย่างนั้นเหมือนหางจิ้งเหลนนั่นดูหางจิ้งเหลนขาดก็แล้วกันมันจะดุกดิกดุกดมันมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้ว มันมันมีเจ้าของนั้นนะะปรุงอะไรเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องของสมุทรไทยทั้งหมดทีนี้พออวิชามันดับไปแล้วทําเป็นเจ้าของธรไม่ยึดนี่นั่นกิจที่บริสุทธ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าเจ้าคําว่าเจ้าของของก็ว่าสมมุติโดยเฉยนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาหรือเป็นสมบัติของวัดตะกิดวัดองของวัดวัดตะสงสารนี่แหละวัดตะขันพูดง่ายอะ เพราะจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอาอันนี้มาใช้แทนมาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มันพอเป็นความเหมาะสมพ อ, อสมมุติดีงามมันก็เรียกว่าทาเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี้มาใช้ก็รู้มันอยู่อย่างนี้อย่ า, าไืมที่นี้เวลาเราพักอ้าเวลาจิตพักท่าประขันเป็นไงไมันสงบตัวลงไป ก็ปกติมันก็สงบเนื่องสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอะไรๆมันก็ดับไม่เหลือตั้งแต่ความรู้ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพียงเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไงกับขันนี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่นธรรมะปัญเป็นอย่งงางนั้นสั่งสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออก นัะเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับทา่าก้าขันเลยหลักธรรมชาติความจริงอันไดให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตนขันตึงกันเลยไม่ดิ้นเนี่ยหยุดกิจนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกกระทา่านันจะหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยอาถ้าว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยหรือมิสักถาวารู้เท่านั้นเนะยถ้ากวจะแยกออกมาพูดนะ ท่านมาแยบท่านชี้เกียรแยบแยบมาพูดทําไมเรื่องของท่านนี่คงไมไ่เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จําเป็นจะเอามาพูดละอะไรทั้งรุ่งท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอยังพระพระุทธเจ้าหรือตพระสาวกบางองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านนั้นท่าเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมติทั้งหมดนะคิดดูจกนกระทั่งถึงสัญญาเวทยุตานิโรธที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติ แล้วจนจนถึงสัญญาเวท า, ายตัดโดดนี่ก็เป็นสมมุติูะถ้ากิตนั้นเป็นเป็นมิมูลแล้วอันนี้เป็นสมมุติเข้าไปกัเข้าไปอย่างนั้ น, นระยะระยะระยระยแล้วก็ผ่านผ่า น, านหายหายออกจากขันจากสมมูลนี้ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้นนะนี่น่ะเรื่องขันกับกิดที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาถ้ามันเห็นที่เราเป็นยังไงพุทธย้าแสดงไว้ สดสด้อร้อนเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะแล้วอ่านตำหนักตำราอ่านแบบแผนฉบับใดก็ถามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกเรื่องสมุทยัยลิ้น ด, ดมากเหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระโอาวาทแกเราอยู่ตลอดเวลากลังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมองค์พระสารีลัณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันเราย่าเอามาพูดอันนั้นเรื่องด้างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขัน อ น, นั้นเสีลายลงไปกายก็สลายแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้คืออะไรนั่นสิพุทธะแท้คือธรรมแล้วธรรมที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติอยู่เวลานี้กับธรรมที่พระเจ้าทรงรู้เห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่พอทราบนี่ภาพก็ยอมรับทันทียอมรับทันทีอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนนี่นะท่านที่ว่าอาการทโกอาการิโกคืออะไรอาการทีกริตอาการที่กระทำนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิทธิรรมมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วัน ขอให้ทุกท่านตั้งใจไว้ว่าตอนนี้รู้สึกหน่อยแล้ว